บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปกระแก่การปฏิบัติธรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของอวิชชาที่แปลว่าความไม่รู้หรือเป็นความรู้ไม่จริงนั้นเป็นรากง่าวของสับ ป, ปิเลสทั้งหลายที่เรียกชื่ออย่างไงก็ตามลุลแล้วจะเกิดสืบเนื่องมาจากอาวิชชาทั้งนั้น วัตธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาโดยรวมก็คือการขจัดนวิชาความรู้ความไม่รู้ให้เจือจางบ่าบางลงไปโดยลำดับผลสรุปสุดยอดของการปฏิบัติเป็นไปยอย่างที่พระผู้มีพระญาวได้รับสั่งเล่าถึงสภาพประไทัยของพระองค์ก่อนที่จะสัด ส, สรู้ว่า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 ในช่วงนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วกิเลสก็ยังสงบอยู่ภายในลึกๆไม่ถึงกรหมดไปสิ้นไปแต่เมื่อสิ่งที่เรียกว่าญาณคือความรู้เกิดผุดขึ้นก็ทำหน้าที่กะจัดความไม่รู้ในจุดนั้นๆให้หมดไปโดยลำดับจนหมดไปอย่างสิ้นเชิงในที่สุด เราสั่งแส ด, แดงในแต่ละตอนของความรู้ที่ผุดขึ้นว่าวิชาได้เกิดขึ้นแล้วอวิชาได้ดับไปเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นและความมืดดับไปภาพเหล่านี้ในเชิงที่เป็นรูปประธรรมก็เห็นได้ง่ายๆมันก็เหมือนกับเราอยู่ใ น, นที่มืด เมื่อจุดไฟขึ้นทุกจุดที่แสงสว่างแผ่ไปถึงในจุดนั้นจะไม่มีความมืดจู่และเมื่อเราเพิ่มแสงสว่างขึ้นไปโดยลาดับความมืดก็ถูกขจัดไปโดยลาดับจนถึงขจัดไปอย่างสิ้นเชิงในจุดเหล่านั้นแต่ว่าแสงไฟที่บังเกิดขึ้นนั้นมันก็ดับไปหม่ได้ แต่ปัญญาที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ขจัดอวิชชาที่สมบูรณ์เป็นความสว่างที่ไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเป็นความมืดได้อีกต่อไปแต่นั่นก็คือผลสูงสุดที่ทำให้บุคคลเป็นพริริาบุคคลแต่การโดิบัติในส่วนเบื้องต้นนั้นก็คงเว็นไปในลักษณะการเพิ่มแสงไฟขึ้น โดยลาดับเพื่อลดความมืดลงไปโดยลาดับคำว่ารู้ในความหมายที่ส่งแสดงไว้นั้นมีนัยยะเป็นอันมากบางครั้งเราพูดง่ายๆว่ารู้จำรู้แจ้งรู้จริงเป็นการเรียงระดับความรู้ขึ้นไปเป็นสามชั้นชั้นแรกคือการเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัส ด้วการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็สึกษกด้วยใจอาจจะรู้ในทางดีบ้างไม่ดีบ้างกลางกลางบ้างแต่ตรงนั้นท่านยังถือว่าเป็นความรู้เพียงแต่เป็นความรู้ดับจําเช่นจามารูปนั้นเป็นคนนั้นรูปนั้นเป็นสิ่งนั้นรูปนั้นเป็นเป็นรถคันนั้นเป็นต้น แต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นการจะเกิดความรู้ลึกซึ้งก็ต้องอาศัยการเก็บการสะสมคือการเพิ่มความจําขึ้นไปอีกกลายเป็นความรู้ระดับหนึ่งที่ท่านเรียกว่ารู้แจ้งขึ้นเป็นความรู้ระดับติบาลีท่านใช้คำว่า บ, บิญญาณที่แปลว่าความรู้แจ้งหมายความว่าความรู้ในเรื่องเหล่านั้นละเอียด ละเอียดทีท่วนในทุกด้านทุกมุมคือทั้งส่วนกว้างส่วนลึกส่วนสูงก็แสดงว่ารู้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นในชั้นนี้จะทำให้เราเข้าใจปัญหาต่างๆมากยิ่งขึ้นจนถึงความรู้ระดับทิทฐินียกว่าเป็นปัญญาหรือเป็นญาณหรือเป็นวิชา ตรงนี้มีชื่อเรียกเป็นอิดมากแต่สรุปแล้วก็คือจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งเป็นความรู้ที่เป็นเรื่องของศิละปะวิทยาการต่างๆเราสามารถวิเคราะห์วิจัยแยกแยะและย่อยสิ่งเหล่านั้นออกจากที่รวมกันให้เป็นศูนย์ก็ได้เป็นอนุเป็นปรมัมมโนไปก็ได้อย่างวิชาการทางวิทยาศาสตร์ และในขณะเดียวกันก็รวบรวมพวกอนูทั้งหลายเข้ามาให้เป็นกลุ่มส า, สาราวัตถุที่เพิ่มโตเติบโตขึ้นโดยลำดับก็ได้แต่ความรู้ระดับนี้ท่านถือว่าเป็นโลกิยะตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเอาก็จริงแล้วจิตใจของบุคคลเหล่านั้นหาได้คัาจัดอวิชาอันเป็นที่มาของสัพเพกิเลสได้ไหม เพราะยิ่งเรียนรู้มากยิ่งขึ้นความโลภต้องการจะได้ผลประโยชน์จากการใช้ความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นหากใครมีความรู้ระดับเดียวกับตนหรือใกล้เคียงกับตนแทนที่จะเกิดมีความชื่นชมยินดียกจ้องสนับสนุนกันก็จะกลายเป็นความริษยาเปลียดเปลียนมุ่งที่จะทำลายล้างกันคลัวคนอ น, นั้นจะโดดเด่นจะดีกว่าตัวเอง ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครไม่ยอมรับความรู้ที่เราเข้าใจว่าเรารู้เราจะเกิดโทสะต่อบุคคลนั้นถ้าได้มีการยอมรับนับถือว่าเรามีความรู้เราจะเกิดโลภะต่อไปซึ่งสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าใจมันก็ไหลเข้าสู่กระแสของตัณหาถึงลักษณะดเด่นที่ปรากฏภายในใจเรา เมตนหนาข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นนั้นจะมีพลังของตัณหาเพิ่มขึ้นก็่อใเกิดความอยากมี่อยากเป็นมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งปรารถนาการหวัดบังเกิดในภพที่ประนีตขึ้นขึ้ น, น, นยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงต้องการบังเกิดเป็นเทพบุตรุเทพธิดามีบริวารมีความสะดวกสบายมีความสุขอย่ายืดยืนอยู่ในที่เหล่านั้น แสดงว่าปรารถนาพบปรารถนาชาติปรารถนาพบในขณะที่ความรู้ซึ่งขจัดอวิชชานั้นเป็นการทำลายชาติพบซึ่งสืบเนื่องมาจากการทำลายกิเลสเพราชาติพบนั้นเกิดไปจากกิเลสที่หยาบบ้างกลางบ้างละเอียดบ้างก็ทำให้ชาติพบกราบกลางบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้าง ถ้าหากว่าสิ่งที่เรารู้หรือความรู้ของเราเกิดเปลี่ยนแปลงไปหรือผลที่เกิดขึ้นจากความรู้ของเราไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรือคาดหวังเอาไว้ก็จะเกิดเป็นความโศกเศร้าปริเวณนาการคลัค่งครวญไปด้วยประการต่างๆ ถ้ายังมีการตอบสนองคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้เพิ่มพูดมากิงขึ้นจิตใจก็จะกำหนัดเพลิดเพลิพนชื่นชมย่ ด, ดีในสิ่งเหล่านั้นและจะมีความกำหนัดเพลิดเพลินยิ่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจิตใจก็จะป่อยฟ้าไปเรื่อยๆซึ่งก็หมายความว่าเอาก็จริงแล้วปริมาณของโลภาโทสะโมหะอวิชา แทนที่จะลดบรรดบเพิ่มขึ้นความรู้สายนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นโลกิยะเป็นศินละปะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพสร้างตัวเองสร้างสถ า, านะทางครอบครัวสร้างเศรษฐกิจของครอบครัวตลอดถึงพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติแต่ก็เป็นเรื่องของโลกในการกระทําในการแสดงความรู้ของเรานั้นย่อมมุ่งผลประโยชน์ที่เราจะได้ มากกว่าผลประโยชน์ที่สังคมประเทศชาติาศาสนาจะได้ความรู้ระดับหนึ่งนั้นจะมีลักษณะเป็นการขัดเกลาในจุดของความรู้แจ้งนั่นเองท่านยังเรียงไว้หลายนัยยะด้วยกันเช่นนัยยะหนึ่งเกิดขึ้นมาจาก การใช้ประสบการณ์ในทางศาสนาหรือประสบการณ์ต่างๆในเรื่อ ง, งต่างๆกรนทีท่านสหายชนทั้งหลายจะสังเกตว่าสิ่งที่ถูกรู้หรือสิ่งที่คนรู้จะเป็นเรื่องเดียวกันหมายความว่าเป็นความรู้ระดับโลกิยะหรือความรู้ระดับโลกุตตระก็เป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่า ใครเป็นคนรู้จะเป็นตัวกำหนดสิ่งเหล่านั้นหรือกำหนดตัวความรู้เหล่านั้นว่าจะมันเป็นโลกิยะหรือโลกุตระตั้งตัวอย่างบุคคลที่เราเพระเห็นประวัติอาิยบุคคลทั้งหลายเป็นการมองภาพประเภทเดียวกัน ต่พื้นฐานทางวาสนาปรมัยอินทรีย์ของคนเราไม่เหมือนกันอย่างพระยศะะกุลบุตรสามารถมองภาพสนมกำนันในภายในกระหาดของท่านซึ่งกำลับบงนอนหลับเหมือนกระซากศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าชา้าเป็นการมองเห็นในลักษณะเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ท่านมองเห็น เป็นภาพประเภทเดียวกันแต่ไม่ใช่คนเดียวกันธรรมาจิตใจเกิดสลดตุผถูเกิดเหนื่อยหน่ายในการต้องเกี่ยวข้องกับซักศพทั้งหลายอยู่จนรู้สึกว่าข้องภายในคฤหาสน์ภายในปราสาทของท่านนั้นมันเหมือนกับป่าช้าเป็นที่ทิ้งซักศพแทนที่จะน่า อภิรมณ์ดินดีมันก็กลายเป็นสถานที่ตือดัดขัดข้องจนถึงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องออกไปจากปราศรัยเดินบ่นไปว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้กัดข้องหนอวุ่นวายหนอขัดข้องหนอแล้วเมื่อไปพบพระพุทธเจ้ารับสัง่งให้ท่านได้คิดว่าตรงจุดนั้นแหละไม่วุ่นวายตรงจุดนั้นไม่ขัดขอ้อ ให้เธอเข้ามาในที่นี้เราจะแสดงธรรมให้ฟังพญาสาก็เ ข, าเข้าไปโดยการฟังธรรมะสั้นๆเตียงสองครั้งคือเทศตบทวนอีกครั้งหนึ่งต่นงนกรมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวต่างๆในพุทธศาสนาเป็นนั้นมาก บางครั้งอยู่ในโครงสร้างของชั่วเจ็ดทีดีเจิดหนมาความมาหกล้มหกลุกไปเรื่อยเป็นในที่สุดก็ตั้งหลักได้อย่างที่เคยเล่าประวัติของท่านจิตตะหัตถะหรือโกนทานบันดิตที่จิตใจมีความคล้องติดอยู่ในสิ่งเล็กๆ เ, เล็กน้อย แต่ก็ดึงท่านออกมาจากเพศของนักบวชได้ทั้งหกเจ็ดครั้งในขณะเดียวกันคุณธรรมภายในใจซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยปลกดันท่านในการเข้าไปสู่เพศกาสาวพัทเป็นนักบวชอีกถึงเจ็ครั้งเหมือนกันซึ่งหมายความว่าภายในใจของคนเรานั้นมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นพลังกัมกึงกันอยู่ต่อสู้ก็ทำให้พฤติกรรมแบ่ง เป็นแนวของการหกล้มหกลุกอย่างแบบพระจิตตาหัตกะหรือกุณฑานบัติติกุณฑานบัติติแต่บางคนนั้นปริมาณของกิเลสมีมากอาวิชชาคือความมืดบอดมีกำลังแรงสามารถกำหนัดในอารมณ์อันไม่น่ากำหนัดได้อย่างที่ พระพุทธีพระพักษ์จะรงป ร, รบภิกษุภิกษุณีที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกันชันญาติคือเป็นแม่ลูกกันแต่เพราะการคุกครีกันมากเกินไปจนมามีความเกี่ยวข้องผูกพันกันในทางเพศรับสั่งตักเตือนให้สติแก่คนทั้งหลาย พอพูดวัตถุกรรมทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสผุดพระและธรรมมารถมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของแพทย์ตรงกันข้ามกับตนนั้น ว, ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามต้องระมัดระวังแม้เป็นศพที่พองขึ้นแล้วก็ยังต้องระมัดระวังเพราความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงของจิตใจมันแปรผันง่ายมันแปรปรวนไปได้ไปได้แง่าย ประยงพระว่าคนบางคนแม้บำเพ็ญเพียรจนดได้ฌานไปแล้วแต่ฌานนั้นก็เสื่อมได้และบางทีเสื่อมแรงๆจากพระเป็นผู้สงบสงเงียมอยู่ในศีในธรรมกลายมาเป็นโจรเมื่อสึกออกไปแล้วก็นั้นแสดงให้เห็นว่าความรู้ระดับนี้มันก็อยู่ที่พื้นฐานของปัญญาหรือพื้นฐานของวิชา ที่มีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันภาพเหล่านั้นก็คือภาพเราทั้งในทางศาสนาท่านสรุปรวมเรียกว่านามรูปหรือรูปนามหรือสสารกับพลังงานมันก็มีแค่นั้นเองในโลกนี้ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าใครเป็นคนรู้สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่มองที่สิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรนั้นเป็นการมองอีกระดับหนึง ถึงแต่เรามองจากศีลสมาธิปัญญาแล้วจะเห็นชัดเจนว่าระดับของศีลนั้นมองในแง่ที่อะไรเป็นอะไรแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมสอดครองแก่สถานะของสิ่งดอนนั้นเช่นชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นทรัพย์สินของคนอื่นสัตว์อื่นคู่ครองคนอื่นสัตว์อื่นงารต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับคนอื่นสัตว์อื่น จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิของการและกันมีความสุดจริตใจต่อกันแต่ถ้าเป็นระดับของสมาธินั้นเป็นการสอนให้เลือกอารมณ์ที่สอดคล้องกับพื้นฐานจริตตัฏยาศัยของตนลักษณะของลังเนื้อชอบลงังใจอารมณ์บางอย่าง ไม่ใช่สอนแก่คนทั่วไปเช่นการไปศึกษาภาพความจริงของชีวิตจากซากศพในป่าชา้าเป็นการสอนเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของบุคคลที่มีตัณหาจริตกล้าปัญญาน้อยอยากต่อการพิจารณาจำแนกแบ่งแยกอย่างแบบพระยะทัดหมอง ผู้การไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันก็ต้องไปเรียนจากซากศพซึ่งเป็นเหมือนกับครูใหญ่แต่เพราะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของจิตนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายอสุภกรรมกายกตาสติเรือสุภกรมมฐานในที่นี้ท่านเรียกว่าสุภกรมมฐานในสำนวนทางมาสิติานท่านเรียกว่าป่าชาทางก้าว มีวิธีการในการศึกษาตลอดซึงทิศ ท, ที่จะเดินการเตรียมตัวที่จะไปการมองจุดที่ควรมองของศพทิศ ท, ทางในการยืนในการนั่งระยะช่วงห่างระหว่างเรากระศบในการมองไปต้นมีรายละเอียดอีกมากซึ่งผิด ก, กรรมฐานเหล่าอื่นเป็นปรกนาปานสติเราจะนั่งเมื่อไรก็ได้ต่างสติเราเลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็จบแล้ว เพราะอไรเพราะกลัวต่อความแปรเปลี่ยนป่วนแปรแปรป่วนของจิตซึ่งอาจจะปรุงคิดคิดปรุงระเลิดเปิดเบิงไปกันใหญ่ก็ได้เพราะส่นานั้นอาจจะเกิดทั้งราคะอาจจะเกิดทั้งโทสะอาจจะเกิดทั้งความหวาดกลัวอาจจะเกิดตั้งความขยะขยะักก็แล้วแต่ยังมีบวิธีอยู่เป็นอันมาก นั่นแสดงเห็นว่าตัวยาหรือความรู้เป็นเรื่องที่ยังไม่แน่นอนแต่ต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติในการศึกษาอยู่บ้างแต่เป็นการศึกษาระดับปัญญาหรือที่เราเรียกว่าระดับวิปัสสนาเป็นการเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นเป็นความรู้แจ้งอย่างแท้จริง หมายความว่าความจริงของสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นอย่างไรท่านรู้อย่างนั้นแล้วก็รู้เป็นกระบวนการเกิดในแนวของปัจจัยการเดียวสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีก็ทยอยกันไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดสิ่งนี้สามารถมองทยอยจากปัจจุบันย้อนก็สู่อดีตได้จาก อดีตย้อนมาสู่ปัจจุบันสือไปสู่อนาคตได้แต่แม้แต่คาดหมายในอนาคตเราก็ ม, ามองที่ปัจจุบันได้ด้วยนั้นแสดงถึงความรู้จริงแต่ในคำว่าความรู้จริงเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะของโลกยิยะคือเป็นการเพิ่มขึ้นของความรู้ของสิ่งที่ตัวรู้เป็นการเพิ่มขึ้นของความโลก เป็นการเพิ่มขึ้นของมานณะเป็นการเพิ่มขึ้นของทิฐิเป็นการเพิ่มขึ้นของตัณหาและจะมากมูลไปด้วยความสกุกความรับรัยรำพันเป็นอันมากเพราะการไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้บางเพราะการพลดพลากสิ่งที่ตนได้ถือครองอยู่บงังเพราะต้องการอะไรแล้วไม่เป็นไปตามที่ต้องการเป็นตัวบางแต่ความรู้ระดับที่เรียกว่ารู้จริง ในที่นี้ใช้คำว่าปัญญาเฉยๆ <c oughs> แต่ในที่บางแข่งเนี่ยท่านเรียงให้ชัดลงไปอย่างเช่นที่ทรงใช้คำว่าปริญญาคือความรอบรู้สามประการในชั้นแรกเรียกว่ายาตะปริญญาคือรู้ด้วยการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสดังกล่าวเป็นระดับของความรู้จา เป็นความรู้แจ้งระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่แจ้งจริงๆสองตีรณปริญญาคือนําเรื่องเหล่านั้นมาคิดลักษณะของความคิดเนี่ยเป็นสังกัปปะแต่เรียกว่าสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปปะคือความคิดในทางที่ชอบตัวความคิดในทางที่ชอบก็คือปัญญานั่นเองพ้นท่านสายชนทั้งหลายจะเห็นว่า ในแนววิปัสสนาจึงเป็นเรื่องของการนำสิ่งเดล่านั้นมาคิดพินิพิจารณาการพิจารณาระดับหนึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่องเหล่านั้นเลยเจาะจงลงไปเพราะว่าการตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นอะไรสักจุดหนึ่งปัญหาที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่ต้องเกิดได้เหมือนกัน อย่างพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเสด็จออกพ น, นุษยสิ่งที่ไม่ไม่โปรดคือไม่ชอบก็คือแก่เจ็บตายพอเห็นเท่านั้นเองก็ไม่โปรดแล้วแล้วก็กลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแก่พระองค์แก่คนที่ใกล้เคียงพระองค์ในขณะเดียวกันก็ทรงมองมันเป็นกระบวนการ ความตายก็มาจากความแก่ความแก่ก็มาจากความเกิดและหลังจากเกิดถึงตายนั้นก็ยังมีความเจ็บการพลัดพรากสูญเสียอะไรต่างๆอีกมากมายนี่เป็นการเรียนกับคนจริงๆเรียนกับคนที่ร้องไห้ในขณะที่หามศพไปร้องไห้ในขณะที่ขวายหนึ่งตายร้องไห้ในขณะที่ขวายหนึ่งเจ็บร้องไห้เมื่อขณะประสบกับการพลัดพราก คนเหล่านั้นที่จริงเป็นการสะท้อนถามให้เขียนประคนที่ร้องให้นั้นที่จริงก็คือเขาประสบกับความพลาดพลาดสูญเสียสูญเสียอะไรสูญเสียสิ่งหรือสัตว์หรือคนที่เขารักเพราะถ้าสูญเสียสิ่งหรือสัตว์หรือคนที่เขาไม่รักเนี่ยเขาจะไม่โศกแต่เขาจะดีใจก็ตรงมองเห็นว่าตัวความรักเองมันก็เป็นปัญหา เพราะเป็นเหตุได้เกิดความสุขความร่ำรวยรำพันความคร่อมครวนตลอดทั้งบนเพ้อไปด้วยประการต่างๆัอจึงมองสืบสาวไปว่าสิ่งเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดไปจากการที่คนเกิดมาแต่นั่นเองถ้าคนไม่เกิดมาความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพลากสูญเสียร้อ ง, องห่มร้องไห้อะไรต่างๆเป็นต้นมากมายไก่กองมันจะไม่มีเลย มันเหมือนกับเรามองใบไม้ยอดไม้ดอกไม้ผลไม้มาจากต้นไม้จากเท่าไรก็ได้เันมาจากต้นไม้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการผลดอกใบกิ่งก้ารสาขาเราก็ปลูกต้นขึ้นต้นอะไรใบอะไรดอกอะไรกิ่งอะไรผลอะไรแต่เราไม่ต้องการเราต้องไป ท, ทำลายที่ต้นมันแต่คืนไปเด็ดใบทิ้งก็ไม่ต้องทำหมากินอะไรกงมัวแต่ต้องเด็ดใบไม้ทิ้งอย่นั้นเด็ เป็นการศึกษาถึงที่มาแล้วก็ไปแก้ที่ตัวที่มาจริงๆคุณสังเกตว่าในสมัยที่ผมเป็นพระโพธิสาต์ก็ทงมองไปแค่ระดับนั้นแต่พอศึกษาไปพิจารณาไปแปนว่าเข้าวิปัสสนาคือมองทะลุไปเลยปรากฏว่าไอ้เกิดเองมันก็เป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุความเกิดนั้นมาจากกลุ่มของสิ่งที่เป็น นามธรรมาสองประการคือกิเลส ก, กรรับที่ในปัจญาการเรียกว่าอาวิชากับสังขัรเพราะสิ่งสองประการนี้มีอยู่สิ่งทั้งสองประการนี้เองที่สร้างวิญญาณให้ปังเกิดในกำเนิดต่างๆเกิดในขันค้างบ้างในไข่บ้างในของสกปรปกบ้างโดยอุปาปิกาบ้าง แลวจากความเกิดนี่แหละปะัญหาต่างๆก็ติดตามมาเพราะฉดึงท่างจจแก้จริงๆไม่ใช่ไปแก้ที่เกิดที่แก่ที่เจ็บที่ตายเพราะมันเป็นผลมันเหมือนกับไปตัดกิ่งไม้ถ้าไม่ตัดต้นมันก็งอกอีกพี่วันก็งอกอีกผู้สิ่งเหล่านี้จะมีลักษนะอย่างนั้น พันธจะศึกษาสืบสาวไปถึงที่มาแล้วก็ตัดที่มาจริงๆคือกิเลสพระกรรมเองที่จริงมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีกรรมนั่นคือลักษณะการใช้ปัญญาพิจารณาในรูปคกล้าๆๆกับฉายคไขฉา ย, ายแล้วมันสายไปรอบๆก็อออมองเห็นทุกทิศทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, กทาตรงนี้ถ้าปัญญาเรามากพอแล้วไม่จําเป็นว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นอะไร เป็นรูปสวยยังไงกต็ตามสามารถมองเห็นเป็นธาตุโสได้เป็นรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของรูปใบไม้รูปอะไรกรต็ตามให้ลองสังเกตที่พระเจ้าทรงสอนให้ผู้ศึกษาพิจารณาขันห้าโดยพิจารณารูปเหมือนกับฟองน้ำพิจารณาเวทนาเหมือนกับต่อมน้ำพิจารณาสัญญาเหมือนกับพยับแตะ พิจารณาสังขารเมือนก็กอกร้วยพิจารณาวิญญาณเหมือนกับภาพมายาทั้งหลายเพื่อมองเห็นความไร้สาระแก่นสันความตั้งมั่นยั่งยืนของขันธ์ทั้งห้าประการซึ่งรวมแล้วเป็นชีวิตเป็นสปปรรพสิ่งทั้งหลายเพราะขันธ์ั้งห้าประการนั้นเป็นคารวมเจนเดียวคคำว่านามรูปเจนเดียวคคำว่าอริยสัจ เช่นเดียวกับคำว่ารูปนามเช่นเดียวกับคว่าสสารพลังงานหรือเช่นเดียวกับคำว่าธรรมะหรือคำว่าสังขารที่ทรงแสดงว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมนายในความทุกขนี้เป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์ ใจก็จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลนี่ก็เป็นทางของความหมดจดคือหมายความว่าด้วยความรู้ความเห็นระดับนี้มันจะไปลดตัวอวิชชาเมื่อวิชามันลดไปจะเป็นลดโลภะลดโทสะลดโมหะไปไเรื่อยๆแล้วเมื่อปริมาณของวิชาที่เกิดขึ้นสมบูรณ์อวิชชาก็ถูกระจัดไปอย่างสมบูรณ์ ตำหองเดียวก็ที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นเต็มที่ในห้องนั้นความมืดก็จะไม่มีอยู่เลยในห้องนั้นแต่เป็นการไม่มีสาบเท่าที่แสงสว่างยังมีอยู่ึงก็หมายความว่าถ้าแสงสว่างดับไปความมืดก็เกิดขึ้นมาได้ต่อานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป